พระบัญญัติ393ก็ภิกษุใดรู้อยู่หรือฟื้นอธิกรที่ตัดสินไปแล้วอย่างถูกต้องเพื่อพิจารณาใหม่ต้องอบัตภาจิตีเรื่องพระชพคีจบ